ยอดมที่สนใจมาฝึกหัดเจริญสติทุกท่นานเอาใจแล้วกันนะสองก็ยังมีมากอยู่วัดต่าสุกตั ว, วเรายอดเยี่ยก็ยังไ ป, ไปมาๆกันอยู่เดือนพฤศจิกายนถึงจะ มีกระแสะในสังคมของเรามากมายที่ชวนให้เราสนใจแต่บ า, าส่วนนก็ยังผ่านมาถึงสถานที่นี้นาที่นี้แล้วก็ทอที่สอบถามพูดคุยด้วยเจตนาตรงตรงก็คือมาสนใจฝึกสัสติโดยที่ ไม่ต้องคนหัวนุ่งห่มผ้าขาวผ้าเหลืองคือก็มีความสนใจมาจากเคยศึกษากันมาบ้างหยบหนอพองหนอพุทธะอนาปาโนติสัมมาหลังหรือเรียนรู้จากวิธีการอื่นๆแต่ว่าเราก็มาสนใจว่าออคำสอนที่เคยได้ยินได้ฟังจากสื่อ มีสื่อวงพ่อขรียนมีสื่อจย์เภทสารมีสื่อหลงพุเดียนก็สนใจว่าการปฏิบัติการฝึกการหัดที่จะทําไปแล้วเป็นประสบการณ์ตรงเห็นไกลเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเป็นยังไงออกมาฝึกหัดกันได้ก็เป็นวันที่สมวันนี้แล้วเราก็เอา คำสอนขององค์สมเด็จสมมาเจ้านั่นแหละมาฝึกปฏิบัติกัน<ม>เป็นการเดินตามรอยเดินตามรอยบาทภาษาสดาจะใจศีลฐ า, านบนภวันเพ็ญเดือน6คนสิบาคำยามสามปีลากาค้นพบวิชาวุสาศาสนาเสร็จแล้วสอนต่อต่อต่อต่อกันนะ กาศึกษาแรกก็มีประสงค์บรรลุ ธ, ธรรมจำนวนหนึ่งแล้วก็คำสอนของท่านก็เป็นทางทำให้เราเได้เดินตามได้ถูกต้องตอนที่เจ้าช้ยีือว่าคนพบก็พบทางสายกลางในโลกนี้มันมีทางตันทางสุดตรงแล้วก็ทางผ่านทางสุดตรงอากขระมาสุขาริการุโยก เพลินในวัตถุ ก, การมกุณลอารมณ์ที่เป็นความไข้เป็นที่ตั้งของความกําหนัดตั้งอัตตาขึ้หภัยโยคือให้ตัวเองได้ลําบากตัวตนยึดมันในตัวตนในกายในใจในคำพูดยึดมันมันในความเห็นยิดมันในลีลาของการ ปฏิบัติระเบียบวินัยต่างๆยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์แล้วทําตัวเองให้ลําบากก็เป็นลักษณะของอัตตาตัวตนที่มันเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เหมือนกับเจ้ใจสีสะตอนบําเพ็ญทุกขากิริยาเงี้ยนะอดข้าวอดน้ํา นอนเสีย น, นอนหนามทำตัวเองจนกระทั่งร่างกายเป็นทุกข์ตาเหลือกตาตลนเส้น phone, เอ็นปนเส้นเลือดปนกับวัตถางสายกลางทำตัวเองให้ลําบากก็เป็นทุกข์หลงติดในสุขก็กลายเป็นทุกข์จนทั่งมาเจอแล้วหน้าของความเป็นปกติความสมดุล ของกายของใจแล้วก็ระลึกนึกถึงวันที่นั่งใต้ตนว่าตอนอายุเจ็ดขวบจล ป, ปนังคันแรกนาะขวัญเตงก็ไม่ได้ไปร่วมพระราชพิธีปนั่งเงี ย, งยบๆอยู่ใต้ตนว่าก็ตางสมาธิได้ถึงอุปจารสมาธิึลลนึกถึงตรงนี้มันน่าจะถูกสมาธิระดับนี้มันน่าจะ เป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานได้ท้ายสุกเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมามาเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจความคิดอารมณ์ความโลภความเกลีดความหลงมาเห็นธรรมชาติภายนอกภายในมาเห็นความจริงของโลกาโลองก็เป็นอย่างนี้แหละจนท้ายสุดก็หายสงสัย อุทานขึ้นมาปวด ท, ท้องท้อเกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ความคิดเป็นเหตุทําให้เกิดการปรุงแต่งเป็นหน้าตาเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนที่อยู่ภายในตัวเราไปไลยในตัวไปไลยใกล้ตัวแต่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นจนท้ายสุดก็มีสาวกต่างๆมากมายอัญญากนอัญญาในคนแรกเลยฟังธรรมแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา มีคนที่น่าสนใจก็คือเป็นเป็นลูกเศรษฐียักษสากุลบุตรก็เดินบนไปทุกหนาทุกหนา ว, นวนุ่วนวายนอ ว, นวนุอ่นวายนขัดข้องเนาขัดข้องเน อ, ด อ, นอเดินไปบนไปจากเมืองพารณาณสีเดินบ น, นตัจนมาถึงวัดที่เป็นวัดแรกของสมเด็จสามัญเจเดจมามนตราย่ปีแรกที่เมืองสารนาน หลังจากที่อัญญาคนอัญญาบรรลุธรรมกันเลยตกลงจำบัญส า, ากัวนั้นบรรค่าบารรสาเร็แล้วยัดสาคุรบุตร์ก็เดินมาบ่นมาอกสมเด็จเจ้าพูดโตตอบที่นี่ไม่วุ่นวนายเนอะที่นี่ไม่ขัดข้องหนอะมาที่สํานักของเราอาจารย์สอนเรื่องที่เธอบน่น่าทุกทุกๆุกเนาทุกเนาะวุ่นวนายเนอะกัดข้องเนาว่าขาดบุญขาดบุญ ไม่ได้มีการให้ไม่ได้ทำบุญทำทานคนขาดบุญก็ต้องทุกข์ใจเป็นธรรมดาผู้ให้มีความสุขผู้รับาสอนให้ฟังแล้วก็หาจเป็นคนมีศีลด้วยความเป็นปกติของจิตศีลห้าข้อของคารวะหรือศีล8ดข้อของผู้พุทธคมจ ร, รย์หรือศีลววสิบหรือศีล 227ร้ยสศีลสาร้อยก็พูดถึงเรื่องศีลความเป็นปกติหรือเมื่อเธอมีศีลแล้วเนี่ยเธอก็จะเห็นว่าศีลมันทําให้เกิดความสุขก็คือขึ้นสวรรค์ น, นั่นเองทานทานก็ทําให้เกิดความสุขมีการให้ทำให้เกิดความสุขขึ้นสวรรค์ก็พูดถึงเรื่องสักเคพูดถึงเรื่องว่าเวลามีความสุขติดสุขก็เป็นโทษ เป็นทุกเป็นโทษทําอะไรก็ตามใช้กายใช้วาจาใจมันจะเกิดความเพลินมันก็มีโทษหลงติดในความเพลินเมื่อมีเธอโทษขึ้นมาก็เกิดเป็นความทุกข์เกิดโทษเกิดทุกข์อันเดียวกันฉนั้นก็ดำรีออกจากการมก็จึงมีเนกาธรมะเกิดขึ้นดําลีออกจากเรือนไม่เกี่ยวขอวย้องใดเรือนแล้วตรงมาจํานักของเรานะ แล้วกชีให้เห็นเป็นลําดับขั้นตอนถึงเรื่องภาวนาเรื่องการฝึกสติปัญฐานมีสติไปในกายจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะหายใจแลกหาต่างๆพถึงเรื่องการฝึกสติมีหลายแบบมันจะเห็นตัวยัตสสีไปเป็นลำดับขั้นตอนจนยัสสากุลบุตรบรรลุปเป็นป้าสุดาบันก็อ้างเอาอย่างนั้น จกระทั้งพ่อมาเดินตามหาลูกเห็นรองเท้าลูกอ่ะรู้แล้วอยู่ตรงนี้แน่นอนเดินตามก็ามาพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องอนุพิคคาถาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งลูกชายยอสาคกุลบุตรมันรู้เป็นพระละหันส่วนพ่อนะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปรณนาตัวเองเป็นอุบาสก อุปถัมภ์ในศาสนาต่อไปผู้เข้าไกลพระนัตไตรมาถึงวันนี้ของเราเรามานั่งอยู่ณนะสถานที่นี้เราได้ยินคำพูดคำบอกคำสอนคำเทศนาธรรมที่หลวงพ่อเขียนท่านมีเมตตาและท่านก็แนะนำชี้นำให้เราได้ฝึกสติเป็นตานในจนมีสภาวะของผู้ดู ดูกายเป็นรูปธรรมดูจิตดูใจเป็นนามธรรมกันตอนนี้เรามาฝึกมหัดกันเพื่อให้มันเกิดการตื่นรู้ขึ้นมาตื่นทุกเห็นทุกแล้วตื่นไม่ใช่เป็นตื่นตนกตกใจตื่นกลัวตื่นบนกิเลสแต่ว่ามันตื่นทุกเรามีทุกอยู่โดยพราะมีร่างกายเป็นก้อนทุกเป็นทุกข์แต่เป็นรูปขัน ทุกที่เป็นทุกข์เวทนาแต่ว่ า, าเราฝึกเจริญสติเราก็ไม่ทรมานจิตใจของเรามันก็จะตื่นรู้แล้วก็เบื่อหน่ายเอือมละอายเกิดการสลบสางเวชปรงุงไม่เอามาปรุงนะถ้าปรงุงก็คิ้วก็ไม่สวยจมูกก็ไม่สวยผิวก็ไม่สวยผมก็ไม่สวยรูปร่างก็ไม่ดีามันปรงุงเกิดการเปรียบเทียบ การ น, นี้เรามาดูมาเห็นให้มันปรง่งใช่ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายมันเอาไม่อยู่จริงๆริมันไหลไปตามกาลเวลาซึ่งมีตัวอย่างมากมายเหลือเกินบางทีก็เป็นไปตามอายุไขบางทีก็เป็นไปตามความความประมาทอย่างเช่นใช้โทรศัพท์แบบชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยโทไว้ด้วยเดือดกันระเบิดนี้นะมันจะต้อง แจ็คพอตกับคนใดคนหนึ่งอันนี้เรียกว่าความประมาทเขก็เตือนกันว่าเวลาโทรศัพท์ให้ชาร์จให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้จนหมดร้อยชาร์จใหม่หรือว่าแมวไว้บนหัวนอนแมวไว้ในห้องนอนใกล้ตัวขณะนอนเคลื่นก็มันจะเข้าสู่สมองทําให้เซลล์สมองเสื่อมก็มีคําเตือนต่างๆมากมายในโลกใบนี้แต่เราเป็นชาวพุทธเราก็รู้ว่าอ๋อ องสมเด็จสมาของเจ้าได้เตือนไว้อย่าประมาทอย่าประมาทอัปมาเทนะสัมปาเทะตะท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทได้ถึงพร้อมเถิดคือการมีสตินั่นเองเมื่อมีสติเราก็จะได้เห็นความคิดแปอดีตบ้างเป็นความอาลัยอาวรณ์ส่วนใหญ่บางทีก็ไปในอนาคตบ้างเป็นความวิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นยังมาไม่ถึง ทุกยังไม่มาแต่ว่าคิดให้ทุ ก, ก่อนแล้วของยังไม่หายเราคิดจันใจหายก่อนแล้วนหรือว่ามากมายนะกระบวนเรื่องปัญหาหนี้สินปัญหาที่เป็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องสุขภาพะนะพอยังไม่ตายไปคิดว่าตายก็นั่งร้องไห้ได้ก่อนแม่ยังไม่ตายไปนอนกลางคืนฝันก็ตื่นขึ้นมาก็เสียใจเรื่องก็ยังไม่เกิดหมอยังไม่ได้ฉีดยาแต่ว่าก็เจ็บก่อนที่จะฉีดแล้ว ยังไม่ได้ผ่าตัดก็เจ็บก่อนแล้วนะยังไม่ได้เป็นมะเร็งก็คิดจ น, จนวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเราจึงได้เห็นนะความคิดของเราเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่อยู่ในตัวเรานะเป็นเงาของจิตเป็นอาการของจิตแต่ว่าแต่เราไม่ได้ยินคำสั่งคำสอนคาบอกจากบรรพบุรุษว่าความคิดเป็นเหตุแห่งทุกข์ศาสดาของเราหรือว่าองค์ส ม, มเด็จสัมมาจาก็ชี้ว่า การทุกตัวเกิดจากความคิดอย่างนี้เรอ๋อการมันเกิดจากความคิดความทยานอยากทั้งหลายเกิดจากความคิดที่มันคิดว่ามันหลงมันไม่รู้มันเป็นอุปทานมันยึดถือยึดมันถือมั่นเราอ๋อมันเกิดจากตัวนี้อะเนี่ยตัณหาทยานอยากอ๋อมันเกิดจากตัวนี้เราได้ยินได้ฟังแต่ยังทําให้เป็นนะคราวนี้เราก็จึงมาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรูปแบบมีมากมายในประเทศไทยในโลกไปนี้ แต่ว่าเราก็ลองใช้วิธีการนี้ดูเพราะหลวงพ่อเทียนท่านคุยอวดว่ามันเป็นสูตรสำเร็จอุดใ จ, จเดียวสู่การรู้แจ้งถ้าทำอย่างนี้นะภายในสามปีทุกจะลดลงหรือว่าหนึ่งปีนะมันอาจจะไม่ทุกก็ได้หรือว่าเก้าสิบวันหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันเมื่อเราฝึกไปถูกต้องนะทำให้ต่อเนื่องให้ถูกต้องนะ เราจะได้เห็นความจริงจริงชีวิตจะเปลี่ยนไปเหมือนกับเมื่อวานเราคุยกับคนบางคนบอกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความแตกต่างจากที่เราอยู่ก็คือมันมีวัตถุหนึ่งสองสามอยู่กับบุคคลหนึ่งสองสามแต่มันก็ยังทุกข์ดอยู่ยังกินไม่ได้ยังนอนไม่หลับพนันมาวัดป่าสุตโตเพื่อศึกษาฝึกหัดเรื่องการเจริญสติปัฏฐานแนวเคลื่อนไหวมันทายังไง ก็อย่างที่เราทํากันก็คือมือซ้ายมือขวาวางไว้ที่หัวเขา่าพอพลิกมือตั้งขึ้นก็ให้รู้สึกตัวเป็นละนะักษณะของการฝึกหัดเบื้องต้นมีเจตนากําหนดมีเจตนากํากั บ, ม, กบมีขอบมีขอบมีเขตชัดเจนเพื่อเกิดมาตรฐานก็คือรู้สึกตัวได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เห็นการวางกายวางใจไม่เอียงซ้ายเอียงขวาแต่อยู่ในความคิดมันก็เอียงซ้ายอารมการจัดเี้น ต่เอียงขวาบา่ากําลังมุทะลุดูดันทําอะไรเคลื่อนไหวให้ดูรุนแรงนะทางร่างกายไม่นุ่น น, นลวลเราได้เห็นโอ้มันมีเรื่องแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ปรับให้เกิดความพอดีพอดีความรู้สึกตัวสติปัญญาอะไรมันจะปรับให้เราประสบการณ์ทําให้เกิดเทคนิคทําให้เกิดความจานานตัวนี้มันจะปรับเราความจานานจะเกิดลักษณะของความเสมอต้นเสมอปลายเป็นมาตรฐาน ตัวนี้ก็ต้องใช้กรอบสักนิดหนึ่งมีกรอบมีขอบมีเกสรจงเกิดศีลขึ้นมาคือความเป็นปกติน่ะนะเหมือนกับผีมันกลัวสายสินอันนี้เป็นลวดธรรมแต่ว่านำมาทําก็คือศีลความเป็นปกติความไม่ดีความหลอกหลอนที่ตัวเองหลอกตัวเองเนะี่ยมันก็กลัวสิ่งนี้เหมือนกันเมื่อเรารู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้มันกลัวสิ่งนี้มันไม่กล้ามันเคยมีที่พลเคยครอบนํา อารมณ์ที่ผูกมัดรัดตึงอย่างนี้พอเรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ก็ปัจจุบันขณะเราก็ได้เห็นความคิดมันเคยแปรอดีเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดมันแปอนาคตเป็นสุขเป็นทุกข์มันจะหยุดลงแล้วก็จะมีเรื่องของวิพาควิจารณ์ในปัจจุบันตาดูก็คิดต่อปรุงแต่งต่อหูฟังก็คิดต่อปรุงแต่งต่อสัมผัสก็คิดต่อปรุงแต่งต่อรสชาติมาสัมผัสก็คิดต่อปรุงแต่งต่อ เป็นกระบวนการลูกโซ่นะที่ทําให้เกิดเหตุผลขึ้นมาในการที่นะชีวิตของเราจะต้องสุขจะต้องทุกข์อย่างนี้ตลอดไปมันก็คงจะไม่ใช่นะพำำสสนะเพราะมีคําบอกคําสอนคําชี้คํานํามีศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนามันไม่ใช่เป็นไปเพื่อการเรียนการทํางานเขียนไว้สมัครเรียนนับถือศาสนาอะไรพุท สมัครงานนับถือศาสนาอะไรพุทธแต่ว่าไม่สามารถเอามาใช้ได้จริงยี้นะเราก็จึงมาฝึกมาหัดกันเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนะึกคิดเนี่ยตัวนี้เรามีกายแต่เราก็ได้เห็นตกายของเรามีหลายคนพอฝึกไปเห็นการกระพริบตาของตัวเองก็ตื่นเต้นนะทุกวันอยู่กับอารมณ์อยู่กับการงานอยู่กับนอกตัวไม่เคยเห็นตัวเองกระพริบตาไม่รู้ตัวเองกําลังหายใจอยู่ กำลังเดินอยู่เคลื่อนไหวก็ไม่รู้เลยกำลังนั่งอยู่ไม่รู้เลยกำลังฟังอยู่ขนาดนี้ใจลอยไม่เคยรู้แต่พอมันรู้สึกตัวปั๊บจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวผลวาดไหวไปได้เห็นอาการได้เห็นกระ บ, บวนจักการทําให้เกิดความทุกข์ก็รู้สึกตื่นตะลึงเหมือนกับชีวิตนี้มันได้ชีวิตกลับคืนมาสามารถที่จะเรียกหวนตัวเองกลับมาหาเนื้อหาตัวของเองได้ใหม่ ไนที่ไม่ต้องให้หมอขวัญมาเรียกเรียกขวัญเราสามารถเรียกขวัญของเราเองกลับมาได้ไม่ตื่นตระหนกตกใจมันจะเห็นจากว่าเห็นได้ยินสากว่าได้ยินเสียงจะดังก็ไม่ตกใจนะหรือว่ามีภาพอะไรที่มันควรตระหนกตกใจก็ไม่ตื่นกลัวมันจะรู้สึกตัวเฉยๆเป็นปกติตรงนี้แหละมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเราจึงอยู่กับตัวเองนานๆ เหมือนก็อยากจะรู้ว่ามีศีลแล้วไม่มีศีลนะลองอยู่กับตัวเองนานๆเราจะเห็นว่าเราปกติไม่ปกติอย่างไรหรือว่าอยากจะรู้ว่าเดือดมีศีลไม่มีศีลก็อยู่กันนานๆจะรู้ว่าอ๋อครับปกติกขาไม่ปกติอย่างไรนิสัยว่านิสัยเป็นอย่างไรนะนี่ก็คือภาวะที่เราดูเป็นดูโดยเห็นเห็นแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเป็นอะไรไม่ได้ตีความเอาไปเป็นความพอใจไม่พอใจสุขสทุกข์ทุกขมันจะเกิดขึ้นไหมกับผู้ที่ไปบัดทัมนะอยากรู้ว่า สติปัฏฐานมันใช้ได้จริงไหมมาแล้วไหนที่มันอาจหานไหมก็ลองมีัยดูเวลามีไพจะรู้ว่าเออเรามีลักษณะของความนิ่งความเฉยยังไงก็ลองดูอย่างนี้อยากรู้ว่าเรามีปัญญาหรือเปล่าก็ลองเกิดความคิดขึ้นมามันจะคุยกับตัวเองเวลามันคิดขึ้นมันจะคุยกับตัวเองเวลามีปัญหามันจะคุยกับตัวเอง จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าไหวึ้นไหมจะเรียกว่าแสงสว่างแห่งปัญญาว่าได้ะมันจะทะลุทะลวงกับสิ่งนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลมันมีเหตุก็ต้องมีผลมันไม่มีปัญหาไม่ต้องมีทางออกทุกๆปัญหามีทางออกเสมอจานั์โบราันก็บอกเออมีปัญหาอย่าท้อแท้หนทางแก้มีเสมอทุกเรื่องทุกราวไปมันเป็นอย่างนั้นปัญหามีแต่ใจไม่ทุกข์ก็คือผู้ที่ฝึกสติ ปัญหามีปากระทบแต่รู้สึกตัวหูได้ยินแต่รู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่อันนั้นเรื่องนอกตัวแต่ว่าเรื่องในตัวคือเวลามันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งกับร่องรอยของเราปัญหาเก่าๆที่ประทับลงไปเป็นบัญชีหนังหมาเน่านเรื่องของความทุกข์ต่างๆคนอื่นทํากับเราเราทํากับคนอื่นนะประทับเอาไว้จลินิสัยวินิสัยสันดา น, นหรือว่าบัญชีแผ่นทองคํา เวลาปฏิบัติเราเห็นร่องรอยบุญคิดเป็นบุญคิดความดีเรื่องความดีต่างๆผุดเกิดขึ้นมาเป็นร่องรอยของความคิดร่อรอยบุญรอยบาปบางทีมันก็เป็นร่องรอยที่จําไม่ลืมมีคําเปรียบเทียบว่ารอยมีดกรีดบนหินอย่างนี้มันนานแล้วนะแต่มันลืมไม่ลงจริงๆทำใหมก็ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นทํากับเราทําไหมบางทีรักแรกนรักแรก อกหักรักหายมันก็เครียดแค้นชิงชังรักมากร้ายมากรักมากเกลียดมากรักมากจะดูแลก็ถึงกันค่ากันได้บางทีมันก็ฝังรอยเอาไว้ะหรือบางทีก็ทรยศหักหน้าหักหลังในละคุณบามีบางไม่น่าเลยบางทีก็ล้มเหลวในชีวิตทำท่าจะลุ่งเต็มที่มันล่วงเฉยๆเหมันก็ก่อเจอดีสนยเต็มที่แล้วก็พังคลืนลงไง มันไม่สมหวังมันก็เป็นรอยนะเจ็บจําไม่เลิศรอยมีดกรีดบนหินเวลาเราฝึกสติจะได้ลบรอยมันจะรอยชัดขนาดไหนก็ตามมันก็ลบได้เหมือนกันอย่างน้อยๆก็ลบในวินาทีที่เรามีความรู้สึกตัวกระทบสัมผัสรู้สึกมันก็ลบร่องรอยเล็กๆเมื่อนานขึ้นนานขึ้นมันก็เลือนรางหายไปได้มันนั้นไม่ต้องพูดรอยมีดกรีดบนน้ำ อันนี้มันก็แป๊บเดียวมันก็หายแล้วนะผู้ที่มีสติหันหน้าใส่กันก็มีความรู้สึกว่าอาจจะมีอารมณ์แต่พอหหลังให้แล้วมันก็ลืมทันทีนะมันอยู่กับปัจจุบันขณะมันอยู่กับที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้เวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดคนที่อยู่รอบๆตัวเราขณะนี้ที่ใกล้ตัวใกล้ชิดที่สุดสําคัญที่สุดเราก็จะมันกัใช้ชีวิตเป็นปัจจุบันขณะใหม่อยู่ตลอด จนมีการเปรียบเทียบว่าณวะชีวันผู้ที่ปฏิธรรมมีสติเป็นชีวิตใหม่ๆตลอดไม่ใช่ชีวิตเก่าๆเมื่อเราเจองานก็เป็นงานใหม่อยู่ตลอดถึงอย่างงานซ้ำๆ ซ, ซักๆกระตังมันไม่เบื่อหรอกมันเป็นงานที่มันก็มีกําลังใจมีกำลังกายมีกําลังสติปัญญาแล้วพร้อมที่จะทําอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอยู่อย่างสม่สมําเสมอคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาก็ใหม่อยู่เสมอมันก็ไม่ใช่เรื่องของ จะต้องจดจํานิสัยว่านิสัยอย่างไรต่อไปเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเป็นธาตุขันะที่กำลังปลากดอยู่เป็นลนักษณะของปรมาถสภาวะที่กําลังแสดงออกจริงๆอยู่เป็นของจริงที่กำลังปลากดแล้วเราเข้าใจมันคือสิ่งเดียวกันคืออาการของรูปธรรมของนามธรรมของธาตุขันที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์สรสิ่งน มีจิตวิญญาณก็ตามไม่มีจิตวิญญาณก็ตามก็คือสิ่งเดียวกันทั้งหมดธาตุขันสาวต้นนี้กับเราก็สิ่งเดียวกันมีรูปรูปขันมีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเหมือนกันอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์เหมือนกันก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนเหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยมันมีลักษณะของอนิจจ์แสดงออกะนั่งอยู่ ขยับซ้ายขยับขวานั่งเดินยืนนอนอย่างเงี้ยแสดงออกอยู่บางทีก็เซลล์ตายมีการแสดงแสดงออกอยู่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็สัมผัสได้ขันนี่มันหยิบจับสัมผัสได้กระทบสัมผัสเนี่ยมันตั้งอยู่ต้นเสาเนี่ก็สัมผัสได้กระดาษ น, นี่ก็สัมผัสได้ไมโครโฟนก็สัมผัสได้ร่างกายของเราก็สัมผัสได้อันเนี้ยมันเป็นลักของหยิบจับสัมผัสได้รูปขัน เหมือนกันณท้ายสุดก็ทนอยู่ไม่ได้ธาตุสิ่ดินสู่ดินน้ําสู่น้ําลมสู่ลมไ ฟ, ไฟสู่ไฟบางทีเสามันอยู่นานกับเราแต่ท้ายสุดมันก็ย่อยสลายไปอยู่เดียวตามการเวลาแต่ที่เหมือำกันก็คือจิตของเรามันเป็นนามธรรมวิญญาณมีจิตก็มีวิญญาณรู้ได้เป็นปัญญาเบื้องต้นเลยตาดูก็รู้ได้หูฟังก็รู้ได้วิญญาณเป็นปัญญาเบื้องต้น นะมันเป็นลักษณะของาธาตรูนะ้ถ้ามีสติาธาตรู้มันไปสู่าธาตว่างแต่ถ้ามันมีาธาตหลงขึ้นมาเนละมันไม่มีตัวสติประฐานนะมันมีาธาตหลงมันก็หลงไปในความคิดเป็นภพภูมิทันทีแหละเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็จึงทวนเอาไวให้เป็นวิญญาณที่รู้แล้วรู้ถูกรู้แล้วไม่ทุกข์รู้แล้วเกิดความเป็นปกติภายในจิตใจของเราก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะให้กายของเราใจของเรามันอยู่ด้วยกัน ใจอยู่ไหนกายก็อยู่ตรงนั้นกายอยู่ตรงไห น, นใจก็อยู่ น, นเป็นปัจจุบันกันนะอันนี้คือการฝึกหัดเบื้องต้นจนทังมันผ่านมันรู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นนมามธรรมมากมายเหลือเกินเดี๋ยวเพราะเรื่องของการปรุงการแต่งสังขารภายในจิตใจของเรานะตัวนี้มาเป็นเรื่องของตัณหาอุปทานที่มันจะปรุงแต่งทําให้เรามีความเห็นต่างๆมากมายเป็นจำมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ เห็นแล้วก็ยึดเข้าไปเห็นแล้วก็กลายเป็นเรื่องของภพภูมิที่ไหลลงสู่ความเสื่อมเราก็จึงให้เห็นตรงๆลงไปของความจริงที่กาลังปรากฏขณะต่อขณะที่ยิบเลยมันไหลลื่นแล้วท้ายสุดก็คือมันไม่ใช่เราอะกายมันก็ไม่ใช่เราอาการต่างๆความทุกข์ที่เกิดกกายที่เรียกว่าทุกขังมันก็ไม่ใช่เรา ที่เราทุกอายศาสตร์สีนะ่เกิดจากการคิดเกิดจากตัววิชาตัวหลงมันก็ไม่ใช่เรามันทํางานของมันเป็ น, นกลไกตามเหตุปัจใจทั้งหมดแต่ว่าสติปัฏฐานที่เป็นสติที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนสติสัญชาตญาณ น, นี้ยิ่งชัดนะสัจจาลาสิ่งก็มีสุนักก็มีลกกะลอกกระแตก็มีมดหนูปูเปี๊ยกยุงมันก็มีเราก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ย แต่ว่าของเราเนี่ยจิตวิญญาเราสามารถพัฒนาได้ในแง่ของการกลับมารู้สึกตัวนะสำมาปฏิบัติตัวเนี้นเรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวนเนื้อเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนื้อฝึกหัดได้ศึกษาลาสิ่งจริงๆแล้วก็อาจจะทําได้อยู่แต่ว่าพัฒนาให้ถึงที่สุดที่เรียกว่าอรหัตผลตรงนี้ยก็เชื่อว่าทําไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้ น, นที่ทําได้นะ โลภมนุษย์มีสุขมีทุกข์แล้วก็มนุษย์นะเป็นสัตว์ที่สามารถฝึกจิตให้ประเสริฐได้นะเราก็จึงนี่แหละมารวมตัวกันฝึกหัดปฏิบัติทางจิตทางใจโดยใช้กายของเราที่มีอยู่ะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวชวนนั่งให้มันเห็นความจริงจริงว่าเออมันเหมือนกันในโลกใบนี้เป็นโลกที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าตัวสติตัวปัญญาตาไหนนะมันจะได้คําตอบนะ ปกติเราใช้ชีวิตหน้าที่การงานอยู่บ้านอยู่กับสังคมส่วนใหญ่ก็โดนอยู่อายุอารมณ์ทางตาหูจมิ้นไก่ใจจะมาหลงเผล่อยู่เป็นประจำอางเงีพอมาอยู่ที่นี่มันมีกรอบของชุมชนต้องตื่นเวลาเนี้ยมาทําวัดสวดมนต์เงี้ยนะมันช่วยอยู่หรือต้องรับประทานอาหารที่เราเลือกไม่ได้เนี้ยมันช่วยอยู่หรือว่าการนั่ง การนอนอยู่ทั่วบริเวณประมาณ500ไร่เศษมันจะมีธรรมชาติดิบๆธรรมชาติดิบๆมห ม, มายถึงว่าต้นไม้ ม, นน ม, รรมันก็จะขึ้นตามธรรมชาติถาวนก็จะขึ้นตามธรรมชาติเี้เราก็ได้อาศัยหรือว่าลมพัดลมเพอย่างตอนนี้ก็ตามตามฤดูกาลสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันก็จะช่วยให้จิตใจของเรามันกลับสู่ธรรมชาติได้ไวเรียกว่าสปายยะต่างๆแล้วก็มีลักษณะของรูปแบบปฏิบัตินะ ที่มันช่วยเราอยู่ปกติเราก็ใช้ชีวิตเคลื่อนไหวอยู่แล้วหายใจก็หายใจอยู่แล้วกระพริบตากระพริบตาอยู่แล้วนั่งเดินยืนนอนแล้วก็มีอยู่แล้วทุกๆวันนแต่มาที่นี่มันก็เป็นความแตกต่างเดินเราก็เดินแล้วก็กำหนดรู้ไปด้วยเป็นการเดินจงกรมเราประทานแล้วเรากําหนดรู้ไปโดยจะเป็นเรียกว่าฉันมีสติไปด้วยอาบน้ําเรามีสติกันอาบน้ํำไปด้วยก็เรียกว่าส่งน้ําเดิน เรามีสติเรียกว่าจงกลมมันเป็นขณะที่เรากําลังฝึกหัดตัวเองอยู่ทุกๆอิยา บ, บทรูปแบบต่างๆเพื่อเห็นการเคลื่อนไหวของกายของจิตสติก็เจริญตรงนี้เจริญสติสติก็จเจริญ ก, ก็จะเห็นความจริงจักรทั้งมันเหมือนกับว่ารู้จักสมมุติอย่างเช่นวันลอยกระทงเมื่อสองวันก่อนก็เป็นสมมุติสมมุติแบบวัฒนธรรมแบบไทยๆ ท, ที่ประยุกต์มาเมื่อก่อนเขาลอยโคมกันสมัย อาย่ตสมัยสุขโขทยัยลอยกระทงก็คือลอยโคมจุดโคมไฟแล้วลอยขึ้นท้องฟ้าเห็นนะก็ถือว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคาแล้วตอนหลังก็ยกมาจนกระทั่งเป็นการลอยกระทงก็เหมือนทางอินเดียที่ก็ลอยกันเวลาไปบูชาพระแม่คงคาก็ามีการลอยกระทงกระทงสายนะลอยกันยาวเหยียด ของไทยก็รับเอาว่าทางประเภทเนี้ยมาอันนี้คือสมมติบัญญัติให้เกิดความสุขสวยให้เกิดความงามแล้วก็เจริญหูเจริญตาเจริญใจประเภทนี้ทำให้มีความสุขแต่ว่ายังมีคําสอนที่เป็นแก่นอยู่ที่เรามาฝึกกันฝึกสติปัฏฐานอันนี้เพื่อให้เห็นสมมติหล่าเนี้ยเราก็เห็นปรัมัติความจริงความจริงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรจริงๆแล้วมันยึดอะไรไม่ได้ก็เลยเป็นความกลมเกลือน เกิดความเป็นกลางเกิดความคนเกลืนไม่ด่วนสรุปตรงนี้นจนทํามันเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องถูกต้องตามกําลังของสติปัญญาต่อไปเราจะฝึกหัดกันอย่างเนี้นะให้เห็นกายเคลื่อนไหวแล้วเห็นใจนึกคิดไอ้ใจนึกคิดเราคือสมมุติทั้งหมดนะแต่ละคนสมมุติต่างกันบัญหยติต่างกันเรื่องเดียวกันนะมองคนละมุมก็เป็นคนละเรื่องคนละราวไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราก็สนใจใส่ใจกันวันนี้สําหรับกลุ่มที่ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆ สริมเติมเต็มกันอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าสมควรเก่ลลาควรยุติไปเพียงเท่านี้นก็ขอให้ความปฏิบัติดีประชดของเราทั้งหลายนั้นแล้วก็การที่เรามารวมตัวนครั้งนี้นแล้วก็ยังมีชีวิตที่เหลืออยู่กลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ขอให้ความดีมีอันนี้สองแล้วก็การเดยธรรมมีอานนี้สองจงทั้งมันก็ว่าชีวิตของเราพัฒนาจเจริญรุ่งเรือง สู่ความสุขสวยรวยดีแล้วก็ทายสุดเห็นความจริงของชีวิตโดยทัหนาการทุกท่านทุกคนนั้นเถิน